ทางรอดของโลกปัจจุบันนี้มีอยู่ทางเดียวนี้เท่านั้น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 ทุกคนมีเท่าเทียมกันหมดบางคนก็ได้ประสบแล้วบางคนกาลังประสบอยู่ทั้งผู้ผู้ทั้งผู้ฟังเหมือนกันหมดเลยอันนี้เป็นสัจธรรมของชีวิตในผู้เรื่องจริงเป็นสัจธรรมของชีวิตที่มีอยู่ในคนทุกคนเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นอยู่ในตัวเราทางนั้นในกายในใจเรากายกับใจเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งกองทุกทุกทุกคนเสมอกันหมด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 อยู่ที่การกระทาเหตุปัจจัยถึงพร้อมเนี่ยทุกอย่างมันก็ลงตัวได้อันเนี้ยรักษาไปเถร่างกายแต่ก็ใจอย่าลืมรักษาใจด้วยต้องทำใจเป็นกลางกลางเขาไว้ช่วยเหลือใจเราแต่อย่างไรก็ตามการจะรักษาตัวเองรักษาใจไม่เป็นทุกข์เนี่ยผมมีวิธีหนึ่งที่จะแนะนำก็คือการปฏิบัติธรรมเนี่ยการปฏิบัติธรรมะจะเรียกว่า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 อยู่กับปัจจุบันด้วยความรู้สึกตัวอยู่ที่การนั่งของเราเนี่ยอยู่ที่การฟังใจมันจะเริ่มสบายเพราะเรามีความรู้สึกตัวเมื่อไหร่เรก็มันจะมีสมาธิจิตจะตั้งมั่นถ้ามีสมาธิแล้วก็มันทำให้จิตใจในี่ผ่อนคลายจิตใจจะผ่อนคลายมันไม่เครียดสุขภาพจิตดีตรงเนี้ยต้องมีสติทำให้เกิดสมาธินี่แหละสุขภาพจิตจะดี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 เรื่องของกายเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมอย่างตอนนี้ตอนนั่งอยู่เนี่ยรู้สึกอะไรขึ้นมาบ้างในกายเราเมื่อยไหมเมื่อยนีย่เป็นทุกข์หรือเป็นสุขทุกข์แล้วทุกของใครทุกของกายหรือทุกของเราอย่าขี้ตูนะโอ้นี่เป็นทุกข์ของร่างกายตอนนี้เรากลายเป็นผู้ดูกลแล้วนะนะเราเปลี่ยนเป็นผู้ดูแล้วนะไม่ใช่ผู้เข้าไปเป็นเพราะเรารู้ตัวว่ากาลังนั่งการนั่ง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 แต่ถ้าเราเลึกรู้ว่าอ๋อนี่กลายเป็นทุกข์เห็นกลายเป็นทุกข์แต่ไม่ได้เข้าไปเป็นผู้ทุกข์จิตมันก็หลุดออกมนนาขนะหนึ่งถ้าเราตามดูตามเห็นบ่อยๆเนี่ยกายเนี่ยจะไม่ใช่ของเรานะเป็นเพียงแก่เครื่องอาศัยเป็นเพียงแก้สิ่งที่อาศัยละเลึกรู้ทัวนั้นร่างกายเนี่ยถ้าดูไปนานๆ น, านะมันไม่มีความสุขหรอกไหนร่างกายใครเป็นสุขบสุขทุกข์เนี่ยกายบอกไม่ได้แต่จิต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 ความเมื่อยล้าอ่อนแรงตีนเหี่ยวตีนกานตีนตะขาบเต็มหน้าเต็มตามันแก้ไขไม่ได้หรอกมันเปียแค่ปกปิดอันนี้เรารู้ไว้ออกเป็นธรรมดาใช่ไหมธรรมดาแล้วแต่ความปวดความเมื่อยความหิวความกระหายโรคภัยแคเจ็บเราสามารถแก้ไขได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้อันนี้เราต้องทำหน้าที่ตรงนี้กายคือผู้ป่วยจิตใจคือผู้ดูแล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 อดทนเข้มแข็งทุกทางกายก็จะไม่รุนแรงเพราะมีความอดทนแต่ถ้าโอดครวนบนเพลิ่มปันทุกหนักบิกเพิ่มทุกเพิ่มโทษทุกทางกายทุกทางใจต้องรู้จักอดทนใครเอดทนบ้างอดทนนี่ดีนะเนี่ยสองคำเนี่ยสบายเลยสร้างความเคยชินสร้างนิสัยที่อดทนเอาไว้แล้วอันนี้เป็นแบบฝึกอย่างดีเป็นบทเรียนของชีวิตเลย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 โอ้ทุกขเวศนารุนแรงมากมีทั้งอาการชาทั้งตัวเนี่ยเนี่ยผมชาทั้งตัวเลยนะยกเว้นศีรษะมือนี่ก็ชานิ้วมือเนี่ยก็จะชาเหมือ น, นคนเป็นเน็บ ม, มีความสุขัหมคนเป็นเน็บ <laughs> สมัยก่อนเราเคยเอาหนังสติ๊กรัดกีเท้าแหมัดทไมมันชาดีมันชาแล้วมันรำคาญมากอาการของกระเพาะอาหารท้องอืดท้องเฟอ้อหายใจลำบากวันนี้ก็เป็นอยู่นะ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 ส่งจิตออกไปในความคิดของเราบางทีนึกถึงเสียงเพลงที่เราชอบเพลงที่เราชอบร้องชอบฟังแต่ต้องไปเพลงดีๆนะอย่าไป น, นึกเพลงทําไมถึงต้องเป็นเ้าบางทุกไปจนตายนะลองนึกดีๆโอ้ไม่เป็นไรบอกเลยว่าไม่เป็นไรเป็นก็เป็นเหม็นจะเป็นไรเนะี่ยบางทีก็อย่างนี้ต้องลาออกโอาไวสะใจไปเลยจิตมันก็ออกได้ชั่วขณะหนึ่งแต่มันชั่วคราวเป็นอารมณ์ที่ไม่ใช่กุศลหรอก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 เวลามันทุกข์มากๆก็สวดมนต์เลยนึกคำสวดมนต์อิติปิโสปะกาวา阿拉าหั่งซัมมาส ม, มุโทโววิชาจรณสัมปันโนสวัดมนต์ไปเลยสวดแบบนกแก้วนกุณทองมันก็พากจิตออกจากอารมณ์ได้ชั่วขณะหนึ่งต่อมาเริ่มเข้าใจเรื่องกรรมฐานก็บริกรรมพุทโธหายใจออกพุทหายใจเข้าโธพุทโธเรื่อย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 คอยช่วยรักษามีปัญญาด้วยคอยปล่อยวางปล่อยวา ง, วางบ่อยๆเนี่ยทุกทางกายจะรุนแรงแค่ไหนเนี่ยก็ไม่มีผลน่นั้นจิตใจเนี่ยเรื่องของกายแต่ว่ามันทำความสบายที่จิตใจเราได้จิตก็จะเป็นอิสระถ้าจิตอิสระใหม่แล้วก็สุขภาพจิตดีนะยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นมีความสดชื่นเพราะสุขภาพจิตดีและมองอะไรอะไรก็ดีนะมองอะไรก็ดีจะคิดก็ดี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 บางทีชอบประชดประชันตัวเองไม่กินยาไม่กินข้าวทำหน้าปึงเนี่ยมีอาการแบบนี้หรือบางทีอยากตายหรือลอวรอดไปเลยอันเนี้ยเป็นอาการของคนไข้จะไม่สน่นในด้านจิตใจผูด้ดูแลก็ต้องเข้าใจเข้าใจคุยกับเขาตามปกติให้ความสำคัญคือให้ความหวังให้กำลังใจให้ความสุข ด้วยจิตใจที่เมตตากรุณาพูดจาไพเราะอ่อนหวานเลยบางทีเราคุยกับเขาเนี่ยขอให้คุยกับคนอย่าคุยกับโรคคุยกับคนนะอย่าคุยกับโรคปล่อยให้คุณหมอคุยกับโรคคุยกับเขามันเขาไม่เป็นอะไรตามปกติหาเรื่องสนุกสนุกขบขันมาเล่าให้ฟังอย่าคุยเรื่องร้ายๆคุยเรื่องดีๆสุขภาพก็จะได้ดีด้วยอย่าไปถามว่าวันนี้เป็นยังไงอาการดีไหมโอ้น่าเบื่อคาถาม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 แต่ไม่ใช่เรื่องเราทีต้องเป็นทุกข์ด้วยต้องรู้จักแบ่งแ ย, ยกการทําหน้าที่เป็นเรื่องของเราแต่ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องเป็นทุกข์ด้วยเห็นไ่มต้องรู้จักแบ่งแ ย, ยกเพราะฉะนั้นผู้ที่ดูแลก็ต้องปฏิบัติธรรมด้วยนะต้องเจริญสติด้วยรักษาจิตใจไม่ต้องเป็นทุกข์ถือโอกาสเรียนรู้คนไข้ไปเลยเรียนรู้คนไข้ในคนไข้นี่ยเขาเรียกเป็นแหล่งวิชานะให้เราเรียนรู้ได้ให้เราเรียนรู้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 ใจมันเบื่อกลันเบื่อให้รู้เท่าทันใจเราเป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยผู้ป่วยก็ต้องทาหน้าที่ถูกต้องหน้าที่ของผู้ป่วยคืออะไรก็คือความอดทนอดทนแล้วก็ส ง, งบสงเงียมช่วยเหลือตัวเองแล้วก็เจริญสติเสมอเสมอเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ผู้ดูแลก็ต้องแบบเดียวกันต้องมีความอดทนมีสติเฝ้าดูจิตใจเราเมตตากรุณา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 ไปหาหมอรักษามาหลายแห่งโรงพยาบาลช่วยอะไรไม่ได้ร่างกายเนี่ยคุณหมอก็ช่วยเราไม่ได้จนกรทั้งเราต้องช่วยเหลือตัวเองแหละช่วยร่างกายไม่ได้ช่วยจิตใจไม่ต้องเป็นทุกข์ก็สายการปฏิบัติธรรมเนี่ยแหละมาเป็นเครื่องอยู่มาเป็นยารักษาใจก็อยู่ที่การเจริญสติเนี่ยเนี่ยผมมีการเคลื่อนไหวเพียงแค่มือเทา่านั้น อยู่ว่างๆแทนที่จะปล่อยจิตปล่ให้มันฟุ้งซ่านเพิ่มทุกข์เพิ่มตัวกับจิตใจเราก็มานอนเจริตสตินอนพลิกมือเล่นเนี่ยหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยเป็นผู้ที่แนะนำอ๋ออยู่ว่างๆนะจะปฏิบัติทําไม่ต้องมาที่วัดนอนอยู่บนเตียงนอนพลิกมือเล่นแล้วก็รู้สึกตัวไปพลิกมือหงายรู้สึกพลิกมือคว่ำรู้สึกคือเจริญสติไปกับการเคลื่อนไหวของกายให้รู้สึกตัว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 แต่การรู้นี่อย่ารู้แบบเข้าไปอยู่หรือไปบังคับไปผักใสรู้ตามที่เขาแสดงออกต่อไปเราก็จะเบื่อมันจะไม่ยิดมั่นถึงมั่นมันแต่ใช้มันให้เป็นประโยชน์แล้วเข้าใจตัวเองเลยนะเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วเข้าใจคนอื่นโดยเพราะผู้ดูแลผู้ใกล้ตัวเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่ยิ้มไม่ได้หรอกเศร้าหมองมากทุกข์เพราะร่างกายเนี่ยแต่พอปฏิบัตนะิธรรมแล้วหน้าตามันสดชื่นมันยิ้มได้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 เวลาเข้ามาหาผมแต่ละครั้งเนี่ยท่านจะมีคําพูดที่เป็นการปลอบใจให้กําลังใจคำคำหนึ่งท่านพูดเสม อ, สมอว่าอ๋อลูกเอ้ยเมื่อเป็นได้มันก็หายได้เจอหน้าก่อนเวลาท่านไม่จะพูดอะไรถ้าก็อาศัยมุกเก่าว่ามันเป็นได้ก็หายได้โอ้จริงเราก็เบื่อนะโอแต่เราเข้าใจท่านโอ้นี่หวังดีเจตนานดีที่ก็เบื่อคําพูด้ําๆมันไม่เห็นหายแล้วทีนึงเห็นพูดมาหลายปีะ แต่เราก็เข้าใจคําพูดปลอบใจให้กําลังใจเนี่ยทําให้เรามีกําลังใจเหมือนกันเบางทีเราก็หงดหยิดนนะ้สมัยก่อนยังไม่ปฏิบททัติธรรมท่านเดินเข้ามาเนี่ยพอดีคนพิการเนี่ยขาเนี่ยเราจัดเองไม่ค่อยได้ต้องมีคนอื่นมาจัดให้ขาของเรานะแต่คนอื่นต้องมาจัดให้บางทีนอนเนี่ยขามันกางออกอีกขานึงมันจะตกเตียงอยู่แล้วคุณแม่เดินมาอ้าวจะออกไปไหนเลยนเนี่ยเนี่ยเตียงจะหนีเที่ยวสิเนี่ย เราก็ขำมันนะแต่หนีเที่ยวใช่ไหมวะเดี๋ยวอย่าเพิ่งเพิงแกก็จับขามาวางกับที่พอดีขาคนที่พิการเนี่ยมันจะสั่นพอจับปั๊บมันสั่นแวลบอกเดี๋ยวอย่าเพิ่งเพิ่งเดี๋ยวไปหารองเท้ามาให้ใส่ก่อนอย่าเพิ่งรีบไปเราเลยไม่ได้เนี่ยขามันสั่นนะบอกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวจะไปหารองเท้ามาก่อนมาให้ใส่นท่านพูดขำๆต่อตลกเราก็พรอยที่จะสรุปสนานไปด้วย